นาปฏิวาลพิชชณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตฎคือ 1.114 1. พ11ิกษณีไม่ติดตามอุปชาเป็นคนเขาหรือมีความลาย 2. ภพิกษณีผู้เป็นไข้ 3. ภพิกษณีผู้มีเหตุขัดข้อง 4. ภพิกษณีมิกลจริตหภพิกษณีต้นบัญยัิสิบคาบทที่เก้าจบ